3. แนวทางปฏิบัติธรรมของพระราชวุฒาจารย์หลวงปู่ดูลัตตุโล 1. คำปรารพหลวงปู่ดูลัตตุโลเป็นสิทธิ์รุ่นแรกสุดของท่านพระอาจารย์มั่นภูริะะทัตเถระ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 นึกถึงพุโทโธหรือบทสวดมนต์บทใดก็ได้ที่คุณเคยแล้วก็เฝ้ารู้การสวดมนต์ที่เจ้วแจ้วอยู่ในสมองตนเองไปจากนั้นจึงแยกว่าบทสวดนั้นถูกรู้ผู้รู้มีอยู่ต่างหากตรงจุดนี้มีอุบายยักย้าอีกหลายอย่างเช่นอาจจะสังเกตดูความคิดของตนเองซึ่งพูดแจ้วแจ้วอยู่ในสมองก็ได้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 3.3 การเจริญสติและสัมปชัญญะให้ทาความรู้ตัวอยู่กับจิตผู้รู้อย่างสบายสบายไม่เพ่งจ้องหรือควานหาคนา้นคว้าพิจารณาเข้าไปที่จิตผู้รู้เพียงแค่รู้อยู่เฉยเยเท่านั้นต่อมาเมื่อมีความคิดนึกปรุงแต่งอื่นๆเกิดขึ้นก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ชัดเจน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 การที ain, てて่จิตดับความรับรู้นั้นเป็นภพชนิดหนึ่งเรียกว่าอสัญีหรือที่คนโบราณเรียกว่าพรมลูกฝักเท่านั้นเองเมื่อจิตถอยออกจากอริยมรรคและอริยผลที่เกิดขึ้นแล้วผู้ปฏิบัติจะรู้ชัดว่าธรรมเป็นอย่างนี้สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับไปธรรมชาติบางอย่างมีอยู่ แต่ก็ไม่มีความเป็นตัวตนสักอนุเดียวนี้เป็นการรู้ธรรมในขั้นของพระโสดาบันคือไม่เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งแม้แต่ตัวจิตเองเป็นตัวเราแต่ความยึดถือในความเป็นเรายัางมีอยู่เพราะขั้นความเห็นกับความยึดนั้นมันคนละขั้นกันเมื่อบรรลุถึงสิ่งที่บัญญัติว่าพระโสดาบันแล้ว